ก็ความในมหาโครปราลสูตรเนี่ยนะต่อจากเมื่อเช้าในหน้าห้าสิบสี่คือกล่าวถึงคนเลี้ยงโคเนี่ยนะไม่รู้จักท่าไม่รู้จักท่าน้ำเนี่ยนะเปรียบกับภิกษุผู้โง่เขลาเนี่ยไม่รู้จักท่าเป็นอย่างไรบอกว่าภิกษุในศาสนานี้ไม่เข้าไปหา และไต่ถามไล่เรียงภิกษุทั้งหลายผู้มีพุทธวจนะฝังและมากก็คือผู้ที่ทรงจําคำสอนพระพุทธเจ้าไว้ได้เยอะนะเป็นผู้รู้หลักผู้ทรงคำทรงวินัยทรงมาติกาไม่ไปสอบถามว่าภาสิดนี้เป็นอย่างไรโดยระยะหรือโดยเวลาอันสมควรเธอผู้มีอายุทั้งหลายคือผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ย เมื่อไม่สอบถามก็ไม่เปิดเผยข้อความที่ยังลี้ลับไม่ทำข้อความลึกซึ้งให้ตื้นไม่บรรเทาความสงสัยในเหล่าธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยซึ่งยังมีเป็นอันมากแก่เธอนี่เรียกว่าภิษุไม่รู้จักท่าเปรียบเหมือนกับนายโคบาลเนี่ยนะคนเลี้ยงโคผู้โง่เขลาเนี่ยนะก็ไม่รู้จักท่านี่เป็นอย่างไร มันบอกว่านายโคบานผูโ้โง่เขลาไม่รู้จักท่าว่าท่าเนี่ยเป็นท่าน้ําที่เรียบหรือเป็นท่าน้ําที่ไม่เรียบมีสัตว์ร้ายหรือไม่มีสัตว์ร้ายนายโคบานนั้นก็ปล่อยโคลงไปในสถานที่ไม่ใช่ท่าน้ําแม่โคทั้งหลายก็เหยียบแผ่นหินเป็นต้นที่ไม่ที่ไม่เรียบเท้าก็แตกลงไปในน้ำลึกในท่าน้ําที่ลึกสัตว์ร้ายก็มีจระเข้เป็นต้นก็กัดเอาเพราะน โดยเป็นอย่างนี้เนี่ยโคของเขาก็หายไปว่าหายไปเรื่อยๆอ่ะนะเพราะเนื่องจากว่าเขานั้นอ่ะไม่รู้จักสถานที่ที่ให้โคเนี่ยลงดื่มน้ําเมื่อไม่รู้จักสถานที่เช่นนั้นโคก็ลงไปในสถานที่ที่ไม่สมควรก็ไปก็ถูกจราเข้เป็นต้นกัดตายหมดอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าไม่รู้จักท่าก็เสื่อมจากอะไรโคก็หมดลงหมดลงร่อยลอลงอะนะ น้ำนมโคเป็นต้นกรีดไม่ได้เขาก็เลยเสื่อมจากนมสดนมส้มเนยไสยเนยข้นเป็นต้นเน่นะด้วยประการอย่างนี้ทีนี้เปรียบกับพระภิกษุผู้ไม่รู้จักท่าเนี่ยน ะ, ะบทว่าณติดถังชานาติความว่าภิกษุไม่เข้าไปหาภิกษุผู้เป็นพหูสูตรผู้เป็นดุดท่าก็เหมือนกับว่าไม่รู้จักท่าดื่มนะ เมื่อเขาไม่เข้าไปหาหรือบางทีเข้าไปหาแต่ก็ไม่ไต่ถามไปก็ไปก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละนะคือบางทีก็ถามเหมือนกันแต่ถามไม่น่าตอบอย่างเงี้ยนะบางทีบางทีก็ถือเอาแล้วก็เออก็บอกว่าไม่ไม่ได้ไต่ถามไม่สอบถามให้รู้ว่าท่านผู้เจริญพยัญชนะนี้เขาอธิบายไว้อย่างไรเนื้อความแห่งภาษีนี้เป็นอย่างไรบาลีในสถานที่แห่งนี้ กล่าวว่าอย่างไรหรือเนื้อความในที่นี้แสดงไว้อย่างไรก็หมายคือว่าพุทธพจน์ ต, ตรงนี้พระพุทธเจ้าประสงค์จะแสดงอะไรพระองค์ต้องการจะบอกอะไรเป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่สอบถามเมื่อไม่สอบถามเนี่ยนะภิกษุผู้พหูสูตรเป็นต้นที่พอมีความรู้เนี่ยเมื่อเธอทั้งหลายไม่ไต่ถามก็ไม่เปิดเผยข้อที่ยังลี้ลับก็ไม่จำแนกไม่แสดงไม่ทาข้อความที่ลึกให้ตื้น ไม่ทำข้อความที่ไม่ปรากฏให้ปรากฏแก่เธอเนี่ยนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอะกรองระคังถ้ามันดังเองมากเนี่ยมันดีไหมยก็บอกว่าไม่ค่อยเพราะฉันใดผู้ที่มีความรู้เนี่ยนะถ้าหากว่าไม่ค่อยมีให้ความสำคัญไม่ค่อยสอบถามนะในฐานะที่สมควรโดยการละอันสมควรเป็นต้นเนี่ยยังไงเขาก็ไม่พูดเนี่ยนะตรงกัยากที่จะพูดก็คือเหมือนกับว่า พูดแบบชาวโลกเลยง่ายๆเนี่ยนะถ้าหากว่าคนอื่นทั่วๆไปเนี่ยใครที่จะยื่นข้อเสนอบอกว่าเอายื่นหยิบยื่นเงินให้ก้อนหนึ่ง น, นะแบบค้ายๆว่าเที่ยวหยิบยื่นเงินให้คนทั่วไปเลยเนี่ยทั้งๆที่พอจะมีโดยปกติเขาทํากันอย่างนั้นไหม น, นะเห็นใครกันนะเเดี๋ยวฉันจะให้เท่านั้นเดี๋ยวฉันจะช่วยเท่านี้เป็นต้นเนี่ยโดยปกติเขาไม่ค่อยทํากันอย่างนั้นหรือน้อยมากที่จะทําฉันใดผู้ที่พอมีความรู้พระธรรมก็ บางทีเขาก็จะคิดฉันนั้นเนี่ยนะเขาก็จะไม่เาก็ไม่ใช่ว่าตระหนี่ไม่ใช่ว่าห่วงแต่ว่าเออเหมือนกับว่าไม่ไม่เห็นคุณค่านะอ่าไม่เห็นคุณค่าไม่รู้จักสอบถามไม่รู้ว่าอะไรสมควรไม่สมควรเป็นต้นเนี่ยเมื่อไม่รู้เขาก็เหมือนกับปิดบังอัมพรางแต่จริงๆแล้วไม่ได้ปิดบังอะไรแต่เนื่องจากว่าไม่ขอความช่วยเหลือไม่ขอข้อแนะนำเขาก็เลยไม่รู้จะแนะนาตรงไหนเนี่ยนะ บทว่าอเ น, นกาวิหิตเตโสจะกังขัฐาเนีเยโสทำเมสสได้แก่ไม่ย่อมไม่บรรเทาความสงสัยอย่างหนึ่งหรือความสงสัยหลายอย่างจริงๆตัวเองก็มีความสงสัยอยู่ในคําสอนตั้งหลายอย่างก็ไม่ยอมบรรเทาความสงสัยนะ ค, คือคือไม่เข้าไปหาท่านผู้เป็นพหูสูตรเมื่อเข้าไปหาไม่สอบถามจึงเต็มไปด้วยความสงสัย เมื่อสงสัยก็ไม่สามารถที่จะเจริญกรรมฐานต่อไปได้คือหมายคว่าเจริญกรรมฐานมาในระหว่างทางเนี่ยพอเจริญมาระดับหนึ่งเลยเนี่ยไอ้ความที่ตัวเองรู้ไม่พอเนี่ยหรือความรู้ไม่พอความสงสัยก็เข้ามาหมดกันนีสงสัยในรพระพุทธเจ้าบ้างสงสัยในพระธรรมบ้างสงสัยในพระสงค์บ้างสงสัยในสิ่งที่ตัวเองกําลังปฏิบัติบ้บางเอาไปเอามาแล้วเราจะมีความรู้ความสามารถอย่างนี้หรือมันก็เต็มไปด้วยความ ยุ่งเหยิงสับสนไปหมดเหมือนกับคนที่เดินทางไกลเนี่ยนะพอไประดับหนึ่งไม่รู้เอ๊ะจะไปต่อหรือไม่ไปต่อดีไอ้ไปต่อเนี่ไปไหนไปทําไมไปอย่างไรเนี่ยนะแล้วเจอทางหลายๆแยกเข้าเอ็มจะไปซ้ายดีหรือขวาดีเป็นต้นซึ่งไม่มีผู้ผู้ที่เขามีความรู้เนี่ยนําทางไปด้วยก็เลยยากฉันใดผู้ที่ประพฤติปฏิบัติก็ฉันนั้นเนี่ยนะคือเมื่อไม่เข้าไปหาท่านผู้เป็นพหูสูตร คนที่เขามีความรู้จริงในเรื่องนั้นก็เต็มไปด้วยความสงสัยไม่สามารถจะเจริญกรรมฐานให้เป็นไปได้เปรียบเหมือนอย่างว่านายโคบาลไม่รู้จักท่าฉันใดภิกษุนี้ไม่รู้จักท่าคือธรรมฉันนั้นเหมือนกันนี่เนื่องจากว่าตัวเองไม่รู้ว่าใครเป็นใครเนี่ยผู้ใดมีความรู้อะไรเปรียบเหมือนคนไม่รู้จักท่าก็ไปถามปัญหาในสิ่งที่ไม่ใช่วิสัยเข้าไปหานักพระพิธรรม ได้ถามสิ่งที่ควรไม่ควรเนีนะคื อ, ค อ, คอหมายว่าไปเจอนักอภิธรรมไปถามปัญหาพระวินัยเข้าะอันนี้ฉันได้หรือฉันไม่ได้อะไรเป็นต้นเน่ยนะอันนี้สมควรหรือไม่สมควรอันนี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมไปถามเรื่องเจริยามารยาทกับนักอภิธรรมซึ่งไม่เข้ากันเลยหรือบางทีเข้าไปหาพระวินยัยทอนแล้วไปกําหนดว่าเออนี่เรื่องนี้มันมีกี่รูปนนีะภูตรูปเป็นยังไงอุปาทายรูปเป็นยังไงเนี่ยนะก็กลายเป็นว่าอะไร เมื่อไปถามปัญหาในสิ่งที่เขาไม่ถนัดอ้าวไปถามพระอภิธรรมกับนักวินัยไปถามวินัยกับนักอภิธรรมกลายเป็นว่านักอภิธรรมทำไมโง่แท้วินัยแค่นี้ก็ไม่รู้ไปถามนักอกภิธรรมแหมนักอภิธรรมทําไมโง่แท้วินัยแค่นี้ก็ไม่รู้ไปถามนักวินัยก็บอกอภิธรรอโง่แท้อภิธรรมแค่นี้ก็ไม่รู้กลายเป็นว่านักวินัยก็ไม่ได้เรื่องนักอภิธรรมก็ไม่ได้เรื่องเนี่ยนะตัวเองก็โง่อยู่แล้วก็เลยไปกันใหญ่เลยกันเนี่ยพราะไปเที่ยวดูหมิ่นดูถูกเขาไว้หมดแล้วก็เลย หมดสภาพเพราะอะไรเพราะตัวเองไม่รู้จักท่าไปขอคำปรึกษาในที่ที่ไม่ใช่ฐานะนั่นเองเพราะฉะนั้นเธอเหล่านั้นเนี่ยนะไปพระวินัยทรหรือพระธรรมกัจึกผู้ที่ทรงอภิธรรมทรงพระวินัยเนี่ยเธอถามปัญหาในสิ่งที่ไม่ใช่วิสัยก็ไม่สา ม, มารถที่จะตอบได้เกี่ยวเจาะรายละเอียดเชิงลึกในด้านเรื่องพระวินัยกับนักอภิธรรม ไปลงรายละเอียดเชิงลึกเรื่องพระธรรมกับนักวิเนัยเนี่ยนะยังไงมันก็ทันก็ตอบไม่ได้เมื่อตอบไม่ได้ก็ตัวเองก็สงสัยหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วมีใครรู้จริงบ้างนาะเป็นต้นเนี่ยนะการวาที่จริงแล้วตัวเองนะเนี่ยการว่าเปลี่ยนขั้วบวกขั้วลบไม่ถูกแค่นั้นเองนะคือไม่รู้จักขั้วเมื่อไม่รู้จักขั้วก็เลยไม่สามารถใช้พลังงานได้เนี่ยนะเหมือนกับว่าคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยน ะ, ะปรึกษาผิดคนเนี่ยมันก็ไม่ประสบความสําเร็จผู้ที่ ศึกษาพระธรรมก็เหมือนกันนะไปสอบถามไปปรึกษาเรื่องที่ไม่ไม่ถูกบุคคลเนี่ยก็ฉันนั้นยากที่จะเจริญงอกงามในพระธรรมวินยัยเปรียบเหมือนกับผู้ที่ไม่รู้จักท่าเนี่ยนะไม่เมื่อไม่รู้จักท่าเข้าเนี่ยก็เรียกว่าเหมือนกับโคลงผิดท่าก็ถึงกับจมน้ำตายหรือพิการขาเป็นต้นฉันใดผู้ที่ศึกษาพระธรรมแล้วก็ไม่รู้จักท่า คือไม่รู้จักว่าผู้ใดควรถามปัญหาเรื่องอะไรเนี่ยนะกระวมไม่รู้จักความเหมาะสมตัวเองก็เสื่อมจากคำสอนไม่เจริญงอกงามในคำสอนฉันนั้นนข้อต่อไปอีกเนี่ยนะที่บอกว่าคนเลี้ยงโคไม่รู้จักให้ดื่มคือไม่รู้จักให้โคเนี่ยดื่มน้ำหรือว่าไม่รู้ว่าน้ำชนิดไหนที่ควรให้โคดื่มให้โคดื่มเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยนะ เราว่าไม่รู้วิธีให้โคดื่มน้ําเปรียบเหมือนกับภิกษุไม่รู้จักดื่มเป็นอย่างไรบอกว่าภิกษซในาศาสนานี้เมื่อธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศให้รู้แจ้งแล้วอันผู้ใดผู้หนึ่งแสดงอยู่ย่อมได้ความรู้เอ่ย่อมไม่ได้ความรู้อัดไม่ได้ความรู้ธรรมะไม่มีความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมอย่างนี้เรียกว่าไม่รู้จักดืม่มอ่ะตอนแรกก่อนนะเขบอกว่าคนเลี้ยงโคเนี่ยนะ ไม่รู้จักท่าน้ำที่จะให้โคเนี่ยได้ดื่มน้ำบทว่าณนปิตังชานาติความว่าไม่รู้จักให้โคดื่มคือนายโคบาเนี่ยควรจะรู้จักให้โคเนี่ยดื่มไม่ดื่มอย่างนี้ว่าโคกลุ่มนี้ได้ดื่มแล้วโคพวกนี้ยังไม่ดื่มโคนี้ได้โอกาสที่ท่าน้ำสำหรับดื่มโคนี้ไม่ได้โอกาสที่คือคือคนเลี้ยงโคเนี่ยปริมาณจํานวนมากเนี่ยก็เหมือนกับคนเลี้ยงอาหารจานวนคนเยอะๆเนี่ย ก็ต้องรู้ว่ากล่มไหนกินไปแล้วบ้างกล่มไหนยังไม่ได้กินกลุ่มไหนเนี่ยนะได้กินอิ่มหรือยังหรือยังไม่อิ่มเป็นต้นฉันใดเหมือนเราเลี้ยงแขกนะคนที่เลี้ยงโคก็ลักษณะเดียวกันโคพวกไหนลงน้ําได้ดื่มไปแล้วโคเหล่าไหนยังไม่ได้ดื่มโคตัวไหนถูกแต่คนอื่นเขาแกล้งอยู่เลยไม่ได้ดื่มสักปีหนึ่งเป็นต้นก็ต้องหมั่นสังเกตเดี๋ยวพักสักครู่ก่อน